เป็นเรื่องไร้เหตุผลวันหนึ่งรถของวัดจอดติดไฟแดงอยู่ข้างๆรถยนต์คันหนึ่งอาตมาสังเกตเห็นว่าคนกับรถคันนั้นกำลังเกลี้ยกลาดสัญญาณจราจรไอ้ไฟบ้าแกรู้นะว่าฉันมีหน้าสำคัญแกรู้ว่าฉันกำลังจะไปสาย